เหมือนผู้ใดได้รู้ลมหายใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองตัวนี้นั่นแนหะคือเราบอกเราได้บก่กเรามีสติถ้าไม่มีสติเราก็ไม่เห็นลมหายใจแล้วถ้าเราเห็นลมหายใจของเราอยู่ที่ไหนจิตของเราก็อยู่ตรงนั้นถึงพอจิตเป็นผู้รับรูปเห็นไหมเวลาจิตของเราไปอยู่กับที่อย่างอื่นเราจะไม่เห็นลมหายใจตัวเองเลย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 ว่าเป็นการเห็นอันเลิศเป็นการเห็นอันประเสริฐที่สุดไม่ต้องเห็นพระวรากายของพระองค์ละพระวรากายของพระองค์นั้นกับเราก็เหมือนกันเป็นธาตุสีเดินน้ำโดดไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระวกรักลิตอนยังไม่บวชเป็นกระว اة ชอบพระพุทธเจ้าโอ้ยชอบสวยงามหมดทุกสิ่งทุกอย่าง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 ผิวกายพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเป็นทองริวเป็นสีทองพระวักกลีก็เลยตามไปดูแต่พระวรกายนั้นเนะี่ยบัดหนึ่งพระเจ้าจึงอปเปหิหมายว่าไปไปๆๆอย่ามาอยู่ใกล้แล้วมนุษย์ไอ้พระง่ อ, อมัหลงอยู่แต่ในกายพระวักกะลีก็เลยน้อยใจเพราะยังไม่ได้เป็นพระหันตอนนั้น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 ของหนักมันจะลงสีําจิตของเราถ้ามีกิเลสมันจะหามากมันลงสู่ที่ต่ํามันจึงคิดถึงแต่สิ่งที่ตจำๆนั้นแหละว่าง่ายเยอะเอาให้รวมลงเลยว่าสิ่งที่ต่ําคือมันทุกข์สิ่งที่สุขที่สูงขึ้นน่ะแล้วก็สูงว่ามันสุขมันเบาโอ้ยเบาใจสบายใจไม่หนักใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้น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 ใช่ไหมบางคนเกิดมาก็กลายไปเหมือนกันนะจะบอกให้เนี่มีเมฆชี่คนหนึ่งมาจากไหนยังไม่ได้ถามเลยพ่อพงศ์ใจเห็นเมื่อวานนี่ามาขออาศัยปฏิบัติอยู่วัดร้ำนะเวลามันกราบลงมันมีอยู่สองนิ้วเออสามนิ้วสามนิ้วหมายความว่าอีกสามนิ้วหนึ่งมันติดกันเป็นเลมแหลมออกมา นิ้โป้งไม่ติดนิ้วก้อยไม่ติดอีกสามนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมันติดกันนะ่ะมันเป็นเล็บแหลมออกมานัะ่ะมันเกิดแล้วไม่เหมือนเขานะ่ะเพราะกรรมนะ่ะกุณจอมกรรมมันไม่แน่นะ่ะอาจจะเคยตบหัวแม่ตีแม่ตีอะไรก็ได้อย่างที่เราฟังข่าวไปไวเนี่ยอ่าไล่แม่นี้นคนอยู่โน่นอ่ะ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 ก็ตทงนี้ก็โยมสัดเซพนเจอนจรออกบ้านไปมีคนใจบุญมาเจอเข้าก็เลยจับใส่รถไปที่พักคนชลามานนั่นนะคุณโยมเห็นไหมแม่เลี้ยงลูกห้าคนเลี้ยงได้นะแต่ลูกห้าคนเลี้ยงแม่ไม่ได้เลยไม่อีกกี่ปีท่านก็นจายนี้จากเราแล้วทำไมจะทึมเรื่องขนาดนั้นท่านทั้งหลายคงจะได้ยินข่าวอยู่ใกล้ๆคลองหกที่หลวงพ่อพักนไะง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 พ่อแม่ที่นำพาเรามาเกิดกับวิชากับตัญหาอาวิชชาคือความไม่รู้จริงอ่ะหลวงพ่อวัดมเ ah ห e ยยงทานเทศอยู่มเมื่อกี้นี่อวิชชานะคือความไม่รู้จริงเป็นต้นเหตุอวิชชาจึงเปรียบเหมือนพ่อตัญหาจึงเปรียบเหมือนแม่ถ้ามีแต่พ่ออย่างเดียวไม่มีแม่มันก็ไม่เกิดใช่ไหม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 อย่าไปอะไรวอนมันมันจะไปลดต้นไม้ต้นยากับเรื่องของน้าทาบุญทําทานก็เช่นเดียวกันเทียวว่าให้หมดตัวให้หมดตัวจึงจะเป็นคนฉลาดถ้าให้แล้วยังหวงเอ๊ะพระองค์นี้ยังหนุ่มอยู่เงินจะถึงวัดหรือเปล่าเนาะนะจะเอาไปให้ใครอีกเนา ะ, นะมันว่าไปเรื่อนยนะโยมนะเหมือนคนชอบว่ากันเนี่ยโอ๊ยพวกไปฟังทําในพวกทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมอย่าไปว่ากนะัน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 ไม่มีใครอยากอยู่ใก้นะทีเวลาพูดออกมาปากมันกับปากไม่ดีแล้วเสียงไม่ดีแล้วเนะวลาออกทางกายมันกับไม่ดีแล้วถ้าของไม่ดีเนะี่ยไปอยู่ใกล้ใครก็ไม่ใกล้แล้วแอ้าวใกล้ใครไม่ได้ก็บมโหให้ตัวเองเองนะที่ตัวออกดีออกชกตัวหนะาว่าคนอื่นไม่สนใจเราแล้วไม่สนใจอะเ ว, วลาพูดออกมาจะ ก, กับห อ, อกกระดาบจะ ก, กับมีดกลใส่ปากไว้นะ